มีเพื่อนคนนึงเป็นหมอเป็นคนที่มีความสามารถมากได้รับเชิญให้ไปบรรยายตามที่ต่างๆทั่วประเทศแต่ว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจเรื่องเสื้อผ้านหน้าผมเท่าไหร่เวลาจะไปทำงานหรือไปบรรยายก็ไม่ค่อยพิถีพิถันนะ เช่นไม่วีผมเงี้ยไม่ค่อยวีผมเท่าไหร่ภรรยาก็มักจะท้วงติง อ, อยู่ บ, บ่อยๆมีวันหนึ่งเขาก็จอไปทำงานภรรยาเห็นก็ทักเขาว่าให้วีผมนะพอได้ยินเท่านั้นแหละเขากโกรธเลยนะนึกโุนขึ้นมาในใจพูดอย่างนี้กูได้ยังไงนะ กูเป็นวิทยากรระดับชาตินะเว้ยแต่ก็ดีที่เขามีสติรู้ทันนะก็เลยไม่พูดออกไปถ้าพูดไปนี่คงจะเป็นเรื่องนะเรื่องนี้เพื่อนคนนี้เขาก็มาล่าให้ฟังเองนะเราด้วยความขำนะแต่ตอนนั้นเนี่ยโกรธนะตอนนั้นไม่พอใจทำไมถึงไม่พอใจนะพราะรู้สึกว่าตัวกูเนี่ยมันถูกกระแทกนะ ตกจริงคำท้วงของภรรยาก็น่าจะเป็นเรื่องธรรมดานะเพราะว่าสามีภรรยากันก็ต้องมีาการาพูดจากันแบบนี้บ้างแต่คิดว่าตอนนั้นเนี่ยเขาคงลืมไปนะว่าเขาเป็นสามีนะเขาคงคิดว่าเนี่ยฉันคือวิทยากรระดับชาติ ไอ้ความเป็นวิทยากรระดับชาตินี่มันจริงมันเราเรียกว่าหัวโขนนะมันเป็นสมมุติมันเป็นอ่าสิ่งที่แต่งตั้งขึ้นมาเองนะแล้วเขาก็ไปสวมหัวโขนนั้นออกไปข้างนอกนี่ก็รู้สึกว่าเออฉันเป็นวิทยากรระดับชาตินะ แต่เวลาพอเข้าบ้านเนี่ยลืมลืมถอดทั่วโขนนี้เจอภรรยาก็ยังคิดว่าฉันเป็นวิทยากรระดับชาตินะส่วนภรรยานี่ก็ไม่ได้มองแบบนั้นภรรยาก็มองว่าเธอก็คือสามีฉันนะมีอะไรที่ฉันจะท้วงจะแนะนำนะก็ทำได้อันนี้มันก็เป็นเรื่องของ คนทีนะ่ติดยึดในความเป็นวิทยากรหรือว่าติดยึดในหัวโขนนะที่คนอื่นเอามามอบให้นะที่จริงความเป็นสามีนะมันก็เป็นหัวโขนแบบหนึ่งนะก็คือเป็นสมมุตินะแต่ว่าหมอคนนี้เนี่ยนะ เขาอาจจะรู้สึกว่าไอ้หัวโขนที่เป็นวิทยากรระดับชาตินี่มันมันมีเสน่ห์กว่านะพะมันแสนงดงถึงความเก่งความสามารถนะและธรรมชาติของตัวกูเนี่ยมันก็ต้องการที่จะอวดต้องการที่จะประกาศว่าเนี่ยฉันเป็นคนเก่งเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวโขนไหนที่ ที่ดีนะหรือว่าที่เด่นที่ดีกว่าเหนือกว่าเขาก็ไปยึดเอามาว่าเนี่ยคือตัวกูแหละหัวขอนมันมีหลายแบบนะมันไม่ใช่แค่วิทยากรระดับชาติการเป็นด็อกเตอ ร, ร, เาาร์การเป็นศาสตราจารย์การเป็นนายพลนะเป็นเจ้าอาวาสนะเป็นพระครูเป็นเจ้าคุณไอพวกนี้ก็เป็นหัวขอนเหมือนกัน ซึ่งพอยึดเอาไปแล้วเนี่ยว่าเป็นตัวกูของกูเนี่ยนะมันก็ทำให้เราเนี่ยในแง่นึงก็ปลื้มนะเหมือนนักเรียนเนี่ยหัวโขนอาจจะได้แก่ความเป็นคนเก่งนะเป็นห้องอฉันเป็นนักเรียนห้องคิงนะฉันเป็นรุ่นพี่นะอันนี้ก็เป็นหัวโขนแบบนึงเหมือนกันนะเรียกว่าสมมตินะ หรือว่าสิ่งที่เรียดขานกันบันทีก็ไม่มีใครเรียกขานนะแต่เราเอาออเองพอยึดเอาไว้แล้วเนี่ยว่ากูเป็นนั่นกูเป็นนี่เนี่ยมันก็เกิดความรู้สึกปลื้มนะรู้สึกตัวพองใจฟูแต่ว่ามันก็สามารถทำให้เราทุกข์ได้ง่ายเหมือนกันมันมันก็ลูกโปรงนะถ้า มันพองมากๆเนี่ยเจออะไรแมกระทบเล็กๆนะเบาๆก็แตกเพียงแค่หญ้าเนี่ยใบหญ้าเบาๆใบหญ้านี่มันก็ไม่ได้คมอะไรนะแต่ถ้าเกิดว่าไปถูกลูกโป่งที่มันพองใบใหญ่เนี่ยมันก็แตกดังโพรกได้อันนี้ก็เช่นเดียวกันนะอ่าหมอคนนี้เนี่ยนะแกมึงก็ลูกโป่งที่พอง วิทยากรระดับชาตินะโวยนะพอภรรยาทักแค่นั้นแหละว่ายังไม่ได้บีผมที่จริงการไม่ได้บีผมเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรนะมันเป็นเรื่องที่จจอยมากเลยแต่ว่าพออัตตามันพองโตแล้วเนี่ยมันก็ไม่อยากให้อะไรมาแตนะแม้แต่เล็กน้อยก็ดีนที่ที่หมอคนนี้แกรู้เท่าทันนะ ก็เอามาเล่าเป็นเรื่องคขำได้ว่าเนี่ยไอตัวกูนี่มันหรืออั ต, ตานี่มันมันร้ายนะนะแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆ น, ยนี่มันก็ทําให้เป็นเรื่องใหญ่ได้นะเพราะว่าความยึดมั่นถือมั่นในตัวกูนี่แหละมีภาพรูปหนึ่งเนี่ยนะเดิมก็เป็นข้าราชการเป็นข้าราชการนะอายุ ป, ประมาณสักสี่สิบได้ มาบวชภักมาบวชตอนช่วงเนี่ยช่วงเข้าพรรษาแล้วก็มาอยู่กับอาตมาในพรรษานั้นก็มีพระมีลูกชาวบ้านนะมาบวช ด, ด้วยสองสามคนอายุก็ยี่สิบต้นต้นแต่ว่าเป็นพระที่ไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะเพราะว่ามาบวชตามประเพณี บางครั้งก็พฤติตัวไม่ค่อยถูกเท่าไหร่พระที่เป็นข้าราชการเนี่ยที่รามมาบวชเนี่ยก็ทักก็ทวงพระหนุ่มก็ไม่พอใจเถียงบอกว่าพระที่เป็นข้าราชการเนี่ยถึงจุดหนึ่งก็โกรธขึ้นมาเลยนะหรือขึ้นมาในใจว่าเนี่ย มึงไม่รู้หรอว่ากูเนี่ยเป็นข้าราชการชั้นเอกเนะแต่ก็ไม่พูดออกไปนะแต่ก็หัวฟาดหัวเวียงอยู่อยู่นานทีเดียวนะจริงเนี่ยไอข้าราชการเนี่ยมันเป็นอดีตไปแล้วนะตอนนั้นท่านไม่ได้เป็นข้าราชการแล้วตอนนั้นท่านเป็นพระแล้วนะแต่ว่าไอความยึดติดว่ากูเป็นข้าราชการเนี่ยไม่ใช่ข้าราชการธรรมดาข้าราชการชั้นเอกนะ ว่าในเวลาเจอพระหนุ่มๆพูดอย่างนั้นก็ไม่พอใจเพราะว่าเป็นแค่ลูกชาวบ้านนะจะมาพูดกับกูอย่างนี้ได้ยังไงกูข้าราชการชั้นเอกพอคิดแบบนี้เข้านะมันก็ทุกข์นะโกรธนะแต่ก็ดีที่ไม่ได้พูดอะไรออกไปไม่งั้นก็คงเกิดเรื่องเหมือนกันแต่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะกับผู้คนทั้งหลายนะ คือเวลามีอะไรมากระทบเนี่ยนะกระทบทางตาก็ดีหรือว่าได้ยินทางหูก็ดีเนี่ยถ้าไม่ระวังตัวเนี่ยไอตัวกูเนี่ยมันจะโผล่ขึ้นมาพอโผล่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเจอแรงกระแทกคำพูดเบาๆแค่ลมปากเนี่ยก็สามารถกระแทกไอตัวกูเนี่ยให้ให้กระเทือนได้ขึ้นอยู่กับว่าเป็นตัวกูที่ ยิ่งใหญ่แค่ไหนนะถ้ายิ่งใหญ่มากนี่ก็จะก็จะปวดมากคือโกรธมากนะไอ้ตัวกูบางยามก็อาจจะดูเหมือนธรรมดานะแต่ว่ามันก็ทำให้เป็นเรื่องได้พ่อแม่หลายคนเนี่ยเวลาสอนลูกแล้วเนี่ยลูกไม่ฟังบางทีลูกก็เถียงพ่อแม่ก็จะโกรธนะเพราะในใจเนี่ย จะมีความคิดขึ้นมาว่าเนี่ยฉันเป็นพ่อแม่เธอนะมาเถียงอย่างนี้กับฉันได้ยังไงไอความเป็นพ่อแม่นี่ก็เป็นเป็นหัวค้นอย่างหนึ่งเหมือนกันนะที่หลายคนก็ยึดเมาว่ามาเป็นตัวกูแล้วพอคิดแบบนี้เขานะก็จะขอโกรธลูกเนะี่ยก็จะว่าลูกลูกก็จะเถียงสุดท้ายก็เลยอ่า ไม่ถูกกันนะเหินห่างหมังเหมือนกันการนะชูตัวกูขึ้นมาหรือการปล่อยให้ตัวกูเนี่ยออกหน้าเนี่ยมันไม่ทำให้ทุกได้ง่ายๆมันเหมือนกับสมมติว่าเราเดินผ่านตึกที่กำลังก่อสร้างแล้วก็บังเอิญมีก้อนหินหรือว่าเศษอีกตกลงมา เราเห็นนะว่ามันกำลังตกลงมาจากข้างบนเนี่ยแล้วก็มันใกล้ตัวเรามากในสถานการณ์อย่างนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควรทำคืออะไรนะหลบใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาหน้ายืนไปหรือเอาตัวไปรับก้อนหินนั้นเนี่ยเจ็บไหมเจ็บต้องควรทำหรือเปล่า แต่บ่อยครั้งในเวลาหลายคนเนี่ยได้ยินคําต่อว่าดาทอนะแทนที่จะหาทางหลบนะกับเอาตัวกูออกไปรับนะมันก็เจ็บเขาด่ากูเขาด่ากูาากนะพอรู้สึกว่าเขาด่ากูเนี่ยมันปวดมันโกรธขึ้นมาทันทีเลยนะจากคนฉลาดคนที่มีปัญญาเนี่ยเขาจะไม่เอาตัวกู ออกรับนะแต่เขาจะเอาปัญญาเขาจะเอาสติออกหน้าไม่เอาตัวกูรับนกะ็คือจะพิจารณาว่าที่เขาพูดมานี่ถูกไม่จริงไม่มีประโยชน์ไหมนะถ้าเกิดเวลามีใครมาวิ จ, จารณ์นะไม่เอาเราไม่เอาตัวกูออกออกหน้าหรือชูตัวกูรับแต่ว่าเอาปัญญาม ออกหน้าเนี่ยเราจะไม่ทุกข์นะเราจะไม่โกรธเราจะได้กำไรด้วยซ้ำก็คือเราได้ปัญญาอย่างเช่นหมอคนนั้นเนี่ยนะที่เป็นเพื่ อ, อตมาเนี่ยถ้าเกิดว่าพอเขาได้ว่าภรรยามาทักว่าวีพมหน่อยสนะิแทนที่จะชูตัวกูนะขึ้นมาก็ อ่นมามองเออจริงหรือเปล่านะนะเออถ้าผมเรายังไม่เรียบร้อยเราก็บีซะแล้วก็จบนะไม่มีอะไรต้องอโมโหโกรธทากันเวลามีเวลาใครพูดอะไรไม่ดีกับเราเนี่ยนะเราต้องฉลาดนั้นในการที่จะที่จะหลบไม่เอาตัวกูขึ้นไปรับหรือออกไปรับนะ มีเรื่องเล่าว่าสมัยที่พระเจ้าเนี่ยนะอยู่ที่วัดเชตวันนะเมืองสาวัตถีเนี่ยก็มีพราหมณ์คนหนึ่งเนี่ยเดินมาด่าว่าพระองค์พระองค์เดินไปไหนเขาก็เดินตามดา่าเพราะว่าไม่พอใจที่เพื่อนเขาลูกศิษย์ลูกหางเขาเนี่ยเปลี่ยนไปนะ นับถือพระตนัตไตรเขาก็เลยเสียพวกเสียเพื่อนไม่มีคนมากราบก้านแห่แหนแต่ทั้งนั้นที่เขาดา่ดาดา่ดาดา่าด่าพุทธเจ้าก็เงียบนะไม่ตอบโต้จนทัางเขาด่าเสร็จน้ำใจแล้วพะุทธเจ้าก็เลยถามว่าพราหมณ์เคยมีอาคันตุกะมาเยี่ยมบ้านท่านไหม ครังก็บอกว่ามีสี่นะครัพเจ้าไม่ใช่เป็นคนสินไลไมตตอกมีคนมาเยี่ยมมาหาที่บ้านเยอะเลยแล้วเวลาเขามาเยี่ยมเนี่ยท่านทำยังไงข้าพเจ้าก็เอาน้ําเอาของมาต้อนรับสิแล้วถ้าเกิดว่าแขกที่มาเยี่ยมเนี่ยเขาไม่กินนะไมะ่ดื่มน้ํานั้นเนี่ยน้ํานั้นของนั้นจะเป็นของใครก็เป็นของข้าพเจ้าสิ พระเจก้กเลยตัดว่าเมื่อท่านด่าเรานะแต่เราไม่รับคาด่าของท่านคดาด่านี่จะเป็นของใครนะอันนี้พระเจ้าเนี่ยท่านพระงคไม่ทุกนะเพราะว่าไม่เอาไม่สนใจคดาด่าหรือไม่รับคาด่าของเขาเนี่ยเอามาไว้ให้มารบกวนจิตใจอันนี้เรียกว่ารู้จักหลบนะคือไม่เอาตัวกูเข้าไปรับนะแต่คนส่วนใหญ่ไม่ใช่อย่างนั้นนะ เขาด่าก็รับเลยเขาด่าว่าเราเป็นหมูเป็นหมานะเป็นวรรนุษนี่ก็รับเต็มๆเลยแล้วเป็นอย่างนัก็โกรธน้าสมควรโกรธหรือเปล่าเนะี่ยหลวงพ่อชาตันพูดว่าเนี่ยเวลาใครใครเขาด่าเราเป็นหมูเป็นหมานะก่อนที่จะโกรธก็คลั่ที่ก้นก่อว่ามีหางงอกหรือเปล่านะถ้ามหางไม่ได้ ง, งอกก็จะไปโกรธเขาเพราะเขาพูดอะไรไปมันก็ เราเราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยอันนี้ว่ารู้จักหลบนะแต่ถ้าเมื่อแต่ก็ตามที่เรานะไม่มีสตินะขาดปัญญาเนี่ยเราก็จะเอาตัวกูขึ้นไปเข้าไปรับเหมือนกับเขาควางก้อนหินมาก็ชูนะตัวกูขึ้นไปพอชูพอปล่อยให้ตัวกูมันชูคอนะมันก็เจ็บแค่นั้นเองเพราะมันโดนก้อนหินควาง ก้อนที่นั่นก็คือคําพูดที่ไม่สนับหูคําต่อว่าด่าทอนะเคยเล่าไปแล้วนะว่าไอ้คำต่อว่าด่าทอหรือคําวิจารณ์เนี่ยนะมันเปรียบเสมือนกับทุเรียนนะมันมันแหลมมันคมก็จริงนะแต่ว่ามันมีประโยชน์เพราะข้างในน้ําที่แหลมเนี่ยมันมีเนื้อที่อร่อย ถึงแม้ว่าน้ำเนี่ยมันจะทิ่มมือทิ่มนิ้วเราบ้างนะแต่ว่าถ้าเรารู้จักแกะนาำนั้นออกเอาเปลือกออกเราก็จะได้เนื้อนะคำต่อว่าดาทอนเนี่ยนะมันก็มีประโยชน์เหมือนกันถ้าเราพิจารณานะแต่ถึงแม้ว่าหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอนะ ว่ามันมีสาระอะไรแต่เราก็ต้องมีสาระอย่างหนึ่งที่จะสอนเราได้เป็นประโยชน์คือมันสอนเราเรื่องของสัจธรรมความจริงว่านินทานี่เป็นสิ่งที่ไม่มีใครหนีพ้นนะเราทุกคนนี่ก็ต้องเจอกับคำนินทานต่อว่าทั้งนั้นเพราะว่ามันเป็นธรรมดาโลกนะแต่ว่าทำยังไงนะเราจะรู้จักเชาะ เอาเปลือกออกเอา้ําออกไม่ให้น้ามันทิ่มมือทิ่มนิ้วเรานะแล้วก็ใช้สามารถที่จะเอาเนื้อนะของทุเรียนมากินได้อันนี้มันเป็นศิลปะรู้จักหาประโยชน์จากมันโดยที่ไม่เจ็บไม่ปวดนะก็คือใช้ปัญญาพิจารณาใช้ปัญญาออกหน้าแมวตัวกูออกหน้านะ ต้องรู้จักเก็บตัวกูให้มันเป็นที่เป็นทางนะตราบใดที่เรายัางละตัวกูของกูไม่ได้นะจริงตัวกูเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สมมุติขึ้นมานะสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาอันนี้คนที่ไม่พิจารณาตนก็จะไปคิดว่าตัวกูนี่มันมีจริงแต่ถึงแม้เรายัง ไม่สามารถจะมีปัญญาเห็นถึงขั้นว่าตัวกูมันเป็นมายายัางชค่มีตัวกูอยู่นะก็ต้องรู้จักใช้มันให้เป็นหรือเก็บให้มันเป็นที่เป็นทางโดยเพพาะเวลาเจอคำต่อว่าดาทอยต้องเก็บมันเอาไว้นะอย่าให้มันอย่าปล่อยให้มันชูคอเพราะชูคอแล้วเจะเจ็บไอ้ตัวกูเจ็บนะแล้วเราก็ไปยึดว่าความเจ็บของตัวกูเป็นเป็นของกูเข้าไปนี่ก็หนัก รู้จักหลบรู้จักเลี่ยงอย่างหลวงพ่อองค์หนึ่งเนี่ยหลวงพ่อประสิทธิ์ทวโรเนี่ยนะท่านเป็นอดีตเจ้าว่าวัดธรรมใหญปริกนะสีรา c h a เกาะสีชังนะท่านไปบุกเบิกวัดธรรมใหญเปริกนะตอนนั้นเป็นวัดล้างเกาะสีชังนี่สมัยก่อนก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคนยังไม่รู้จักพัทยานะถ้าไม่ไปบางแสนก็เนี่ยไปเกาะสีชัง ภูเกต ก, ก็ยังไม่ดังเพราะมันไกลฉะนั้นผลประโยชน์มันก็เยอะตอนที่ท่านพยายามรื้อฟื้นน่ะฟื้นฟู ว, วัดร้างเนี่ยวัดธรรมใหญ่เปริกเนี่ยก็มีนายทุนท้องถิน่นอันตาพานี้ไม่พอใจหาทางขับไล่ท่านแล้วก็พระใน ว, วัดเช่นด่าว่าบ้างเวลาพระบิณฑบาตก็เดินชนจนกระทั่งพระหกลม้มบาทกระเด็นบ้าง ที่แท่านก็ไม่อยากมีเรื่องมีราวนะแต่ท่านคิดว่าการที่มีวัดเนี่ยมีประโยชน์กับชาวบ้านมีประโยชน์กับพระชีท่านก็เลยไม่ถอยมีคราหนึ่งท่านเดินเข้าไปในหมู่บ้านเข้าไปในเข้าไปผ่านหน้าบ้านไม่ใช่หมู่บ้านผ่านหน้าบ้านของอันตพานคนหนึ่งเขาก็เห็นท่านเดินผ่านเขาก็ดีใจนะเพราะถือเป็นโอกาสหนุ่มคนนั้นก็ด่าว่าท่านด่าซสี้หายเลย หลวงพ่อประสิทธิ์เนี่ยนะแทนที่ท่านจะโกรธด่ากลับหรือว่าทำเป็นหูโทนลุนไม่ได้ยินซึ่งเป็นวิธีการที่คนส่วนใหญ่ใช้กันถ้าไม่ด่ากลับก็แก้งทำเป็นเงียบหลวงพ่อเดินไปหาเขายิ้มแล้วก็จับแขนเขาเขย่าถามว่ามึงด่าใครมึงด่าใครนะ ไอ้หนุ่มเขก็บอกว่าก็ด่ามึงนะเสท่านก็เลยยิ้มต่อเออแล้วไปที่แท้ก็ด่ามึงอย่าด่ากูแล้วกันนะแล้วท่านก็เดินหนีไปเดินห่างไปท่านงงเลยตกลงกูด่าใครวะเนี่ ย, เ, ยเห็นไหมคือท่านเนี่ยถูกดา่าต่อหน้านี้ท่านไม่เอากูมารับนะท่านคิวาเออมันดา่าเขาดา่ามันด่ามึงนะไม่ได้ด่ากู แต่ว่าคนทั่วๆไปไม่ได้ทำอย่างนั้นนะโอยยิ่งโกรธเข้าไปใหญ่เขาด่ากูเขาด่ากูาากนะก็โกรธแล้วก็เกิดเรื่องทะเลาะเบาแวงกันอันนี้เรียกว่าเอาตัวกูออกหน้าหรือว่าให้ตัวกูมันชูคอขึ้นมานะเก็บมันเอาไว้นะเก็บมันเอาไว้นะไม่ใช่เพราะเวลาคําด่านะแม้กระทั่งเวลาชมเนี่ยนะเราก็อย่า ปล่อยให้ตัวกูมันชูคอนะเพราะว่าจริงอยู่นะคำชมถ้าไม่หลับปลื้มนะเขาชมกูเขาชมกูแต่ถ้าเราปลื้มในคําชมนะเวลาเขาไม่ชมเราทุกนะนะเพื่อนกดไลค์ให้เราดีใจมากเลยนะพอเพื่อนไม่กดไลค์นี่โอ้ยเสียใจเกิอดอะไรขึ้นนะฉันทําผิดตรงไหนนะหรือว่าเพื่อนไม่ชอบฉันแล้วนะไปใหญ่เลย อันนี้เพราะว่าไปปลื้มนะพอไปปลื้มกับคำชมพอเขาไม่ชมก็เสียใจขึ้นมายังไม่พูดถึงคำด่านะหัวโขนที่ใครก็ให้เราเนี่ยนะรวมทั้งคำชมเนี่ยนะเมื่อเขาให้เรานะเราก็รับไว้พอเป็นพิธีนะแต่ว่าจะไปยึดมั่นถือมั่นกับมันมาก มีเรื่องราว่าสมัยที่หลวงพ่อโตนะพวกเราคนทรียนชื่อหลวงพ่อโตถ้าเป็นพระเมื่อสองร้ปีที่แล้วได้รับเลื่อนสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระพุท ธ, ธาจารย์นะก็เป็นตําแหน่งสมเด็จที่เป็นรชาชคณะที่สูงทีเดียวแต่ท่านเป็นพระที่เรียบง่ายคราหนึ่งท่านได้รับนิมนต์ให้ไปไปงานทําบุญที่แถวเนี่ยแถวลาช บ, บุรณนะวัดท่านอยู่วัดรักขังก็ต้อง พายเรือเข้าไปสมัยนั้นไม่มีถนนหรอกต้องพายเรือเข้าไปทางคลองมะกอกน้อยปบอกว่ามันเป็นหน้ามันเป็นช่วงหน้าร้อนมันแล้วก็เป็นช่วงที่น้ําลงด้วยเรือที่ท่านเรือที่พาท่านไปเนี่ยมันก็เกยมันก็ติดดินเกยตื้นเด็กวัดเนี่ยคือไปด้วยกันสอ ง, สองคนก็คือท่านกับอันเด็กวัดเด็กวัดก็ลงไปเข็นเรือ แต่ว่าเข็นเท่าไหร่ก็ไม่ไปหลวงสมเด็จโตก็เลยหลวงพระโตก็เลยลงมาเข็นด้วยชาวบ้านเห็นก็แตกตื่นบอกตะโกนกันว่าสมเด็จเข็นเรือสมเด็จเข็นเรือหลวงพระโตท่านได้ยินท่านก็ก็เลยตะโกนไปที่ชาวบ้านว่าฉันไม่ใช่สมเด็จจ้านะฉันคือฉันชื่อครัวโตนะครัวโตนี่ก็แปลว่าก็คือพระนั่นแหละฉันชื่อครัวโตนะฉันไม่ใช่สมเด็จสมเด็จอยู่นั่นนะ แล้วก็ชี้ไปที่พัดยศนะที่ปักไว้อยู่ในเรือคือคนท่านได้รับแต่งตั้งเป็นสมเด็จนะแต่ว่าท่านก็ไม่ได้ไปยึดมั่นถือมั่ว่ากูคือสมเด็จนะก็ยังคิดว่าสมเด็จนะั้นมันเป็นแค่หัวโขนสารัท่านมันก็คือพัดยดนั่นเองนะแต่ไม่ใช่ตัวท่านนะนเวลาใครใครยกย่องเราว่าเป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยก็ให้รู้ว่ามันเป็นแค่หัวโขนนะ อาจจะใส่บ้างเป็นครั้งคราวนะแต่ก็ต้องรู้จักถอดอย่างอย่างสมเด็จโตเนี่ยหลวงพ่อโตท่านก็รู้จักถอดนะถึงเวลานะลงมาเข็นเรือเนี่ยท่านก็ไม่มีความรู้สึกสําคัญามากหมายว่ากูเป็นสมเด็จนะจะลงมาเข็นเรือได้ยังไงนะท่านไม่มีความคิดแบบนั้นท่านคิดแต่ว่าฉันเป็นครัวโตโนคะวโตก็คือหลวงพ่อโตนั่นเองเพราะนั้นการเข็นเรือเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องง่ายนะ คนเราถ้าไม่ไปไม่ไปหลงเพลิดเพลินได้ปลื้มกับหัวโขนนะทำอะไรก็ง่ายสบายนะถึงแม้เป็นนายพลนะแต่ว่าก็กินอาหารข้างถนนนะไปกินอาหารอาหารมาช้าก็ไม่ทุกข์นะเพราะรู้ว่าเออฉันก็เป็นคนธรรมดาแต่ถ้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าฉันเป็นนายพลนะแม้กระทั่งเวลาไปกินอาหารแล้วก็อาหารมาช้าเนี่ยโกรธนะ มนายพลคนนึงถึงกับเรียกผู้จัดจา ก, การมดดาด่ามึงรู้ไหมกูเป็นใครนะเพียงเพราะว่าอาหารมาช้านะคนเขาก็ไม่รู้ว่าท่านเป็นนายพลนะเขาก็เห็นว่ามาช้าก็ได้ช้ามาก่อนก็ได้ก่อนแค่นั้นเองฉถ้าเรารู้สึกว่าไปยึดมั่นในตัวกูของกูมมันจะมีอาการอวดเบ่งนะอวดเบ่งและคนที่อวดเบ่งเนี่ยจะทุกข์ง่ายนะถ้าเรา ไม่เป็นอะไรเลยนะไม่มีความยึดมั่นในตัวกูกของกูไม่ไปเพลิดเพลินลหลงไหลในหัวโขนเราก็จะอยู่ที่ไหนแล้วก็สบายนะถึงแม้เป็นดารานะแต่ว่าไม่ได้หลงไหลได้ปลืม้มไปไหนมาไหนใครไม่ทักเราก็ไม่เดือดร้อนแต่ดาราหลายคนนี่ถ้าไปไหนเนี่ยไม่มีคนทักนี่เป็นทุกข์นะไอ้ทําไมเขาไม่ทักเราทําไมเขาไม่มีใครมาขอายเซ็นเราเนะ่ อันนี้ก็เป็นหัวโขนแบบหนึ่งซึ่งยึดแล้วนี่ก็เป็นทุกข์นี่หัวโขนฝ่ายบวกนะและเวลาเจอสถานการณ์ที่มันแย่เนี่ยเช่นถูกต่อว่าด่าทอนี่ก็ยิ่งแล้วใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ ห, หัวโขนก็ดีนะต้องรู้จักรู้จักวางมว้ลงบ้างแล้วก็ไอตัวกูนะก็อย่าปล่อยให้มันชูคอนะบ่อยนักนะรู้จักเก็บมันเอาไว้บ้างหรือถ้ามันชูก็รู้ทันอาวละชาตนี้พูดกันท่านี้นะกรับพระ